ขอความเจริญในธรรมคุณมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้เป็นการพูดถึงอายุสมะโอสัพเทนสูตรคือสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสถึงเรื่องของพลังแห่งอิทธิบาทแต่ว่าในช่วงนี้ก็มา รบ ถ, ถึงพระพุทธตํารดกที่ทรงให้ปฏิญาณไว้แก่วัสวรติมานซึ่งมากราบทูลรัตนาให้พระองค์เสด็จดับขันธพุทธพปานแล้วเขก็มาทวงพระพุทธรรํารดกที่ตรัสไว้ในคราวนั้นที่บอกว่ามีลักษณะเป็นพุทธปณิธานซึ่งเป็นอุดมการณ์ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นต่อที่กินก็นานแล้วนะครับต่อสองพันห้ารยี่สบเกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มุ่งที่จะสึกสารพระพุทธปนิธานพูดง่ายๆว่าศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาเรามาพูดถึงประเด็นที่เป็นพระพุทธปนิธานในข้อที่ว่า จยพัฒนาพุทธบริษัทให้มีคุณภาพในเรื่องอะไรบางประการแรกก็คือให้เป็นผู้ฉลาดประการที่สองก็คือให้ได้รับการแนะนำประการที่สามก็คือให้มีความกล้า้าและประการที่สี่ก็คือให้ปราศจากโยคะถืงิเลร ซึ่งถ้าเรามองในแง่ความจริงแล้วก็เป็นปัจจัยของกันและกันโดยเว่าความฉลาดก็ดีการรับการแนะนำก็ดีหรือความกละหารก็ดีเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ที่กจัดกิเลสได้คือคนเราถึงแม้จะมีความรู้แต่ยังกิเลสมีมากอยู่เนี่ยมันคงจะมีปัญหาในเรื่องความกละหาร คือจะขาดความมั่นใจในตัวเองในด้านที่เกี่ยวกับความรู้สึกเดี๋ยวตรงนี้เราเน้นทั้งสองอย่างเน้นในส่วนของความรู้แล้วก็เน้นในส่วนของการปฏิบัติแล้วก็เน้นทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือผลมันจะออกมาอย่างนี้ตลอดโดยจะพูดโดยวิธีอะไรก็ตามคือผลจะต้องออกมาคือกิเลสจะต้องลดลงความทุกข์ลดลงและธรรมะจะเพิ่มขึ้นนะฮะ ความสุขความสงบความยือกเย็นเดี่ยวเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มการลดไปในพร้อมๆกันไปดูแลก็พร้อมๆกันไปทํานองค่ากับเมิดสวิตไฟแล้วแสงสว่างเกิดกับความมืดหายแสงสว่างเกิดความมืดหายสิ่งทั้งหลายปรากฏเนี่ยเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทําความจริงเนี่ยมันมีอาการที่ตอนอนั่งไปเรืองการเห็นต้องเห็นครบทั้งหมดวันก่อก็ ในรายการที่เขาได้วนมาตอบปัญหามีคำถามข้อหนึ่งที่ถามเรื่องว่ามีพระรูปหนึ่งประกาศตนว่าเป็นพระหันแต่ยังมีการเทศมีคำกล่าวที่รุนแรงแมีการด่าทอ ผ, ผ, ผุกคนเป็นต้นเราก็บอกว่าคือในแง่ของความเป็นจริงเนี่ย มันมีภาวะที่ขัดแย้งภาวะขัดแย้งตรงนี้เราดูได้ทุกสิดงเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราได้สมาธิแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราอยแสดงความโลภความเห็นแก่ตัวความอยากได้นั้นอยากนีอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นู่น น, น, น, นี่มันก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้สมาธิหลอกเพราะถ้าคุณได้สมาธิมันต้องส ง, งบกิเลสประเภทโลภะได้ เรียก ว, ว่าการที่คุณแสดงอาการโลภะซึ่งเป็นอาการที่คนอื่นสัมผัสได้เรียก ว, ว่าการสงบภายในจิตเนี่ยคนอื่นสัมผัสไม่ได้เพราะสิ่งที่ปรากฏขัดแย้งกับสิ่งที่ถึงยินแันเราแสดงว่าคุณก็ไม่ได้สมาธิเพราะการอวดที่จริงก็เหมือนกับการโฆษณาสินค้านะยิ่งแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการโฆษณาตัวเอง ปัจจัยสัมผัสตัวเองถ้าหากบุคคลหลงเชื่อว่าท่านผู้นี้ยเป็นพระบุคคลท่านนั้นช่านนี้มันก็เป็นที่มาแห่งลาบสักการะชี้เสียงต่งางๆการแวดล้อมการห้อมล้อมของบุคคลทั้งหลายด้วยความต้องการเหล่าเนี้คือสรุปแล้วมันเป็นพวกวัตถุกรรมทั้งหมดเลยมันเป็นวัตถุกรรมลาบยศสรรเสริญแม้แต่ความสุขที่เอือดไปอมิตรัตถุสิ่งของมันก็เป็นพวกวัตถุกรรม เรแสดงให้เห็นว่าใจไม่สงบจริงเพราะนพระพุทธธรรัดตรงนี้จึงทรงตรัสที่ต่อกันไปและเป็นแนวแนวต่อกันไปแนวนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ดูว่าอย่างไนธรรมจักรมันก็ใช้ข้อความอย่างนี้จะต่อกันไปแล้วเป็นบทยืนยันซึ่งกันและกันว right ่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีในขณะสิ่งหนึ่งมีเนี่ยสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับ เราก็ดับไปในขณะที่สิหนึ่งมีขึ้นมานแสงสว่างมีความมืดกระดับนะพอความอิ่มมีในความอยู่ก็ดับทีนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดต่อไปก็คือกําลังที่เรียบแรงหรือความกี้กระเปล่าอะไรต่างๆก่อเจะติดตามนะก็ต่อไปเป็นโพสูตอันนี้ก็เน้นไปที่ปริยัติศึกษาคนะือการศึกษาในแนวที่ รู้จ่าส่งแสดงเนี่ยเจะแยกโลกออกไปเป็นสีแนวโดยระบบของการศึกษาแนีนหนึ่งแคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยหุนยนต์เอาตัวไม่ท่อรอดไม่ประสบความสำเร็จในการครองชีวิตเพราะว่าไม่สามารถจะใช้ความรู้ที่ตนเองศึกษาและเรียนมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบชีพได้เพระเาะว่าเรียนมาแคบแล้วก็ตื้นแล้วกันใช้งา น, นไม่ได้ อีกนึงเรียนมาแคบแต่มันลึกพวกนี้เป็นผู้ชนานาญการเฉพาะด้านแล้วก็เก่งจริงๆสามารถที่จะเป็นผู้นำในด้านนั้นๆได้ที่โบราณท่านพูดว่ารู้อะไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่เฉยๆฉันเถอก็เฉย อ, อีกอ่งหนึ่งมันเป็นการรู้ว้างแต่ว่าไม่ลึก แ, แค่ก็พูดได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างพูดได้ทุกเรื่อง แต่ควา็จริงมันไม่ลึกเลยแล้วก็ส่วนมากในแนวตัวนี้เราจะพบข้อความต่างๆโดยเฉพาะบทความตา น, นั่ง ท, ที่ผิดเราเห็นว่าเป็นการมองแบบตื้นๆถูกไม่ได้มองมาต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมันมี <c oughs> อดีตประธานาธิบดีหรือสิจะเป็นของใครอดเรีย อ, อะไรต่าง มีการอธิบายและที่พอมนิตรดีอย่างนั้นดีดังดีอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดเปลี่นแปลงอย่างนั้นอย่างนั้นกว่าไปเรื่อยๆนะท่านถามประโยคสั้นๆเนี่ยแล้วท่านถามมาแล้วต่อไปล่ะก็ในที่สุดมก็หาคําตอบไม่ได้เพราเป็นลักษณะเพ้อฝันลักษณะเพ้อฝันก็ท่านถามมาแล้วต่อไปล่ะต่อไปจะเป็นมันไม่มีคำตอบให้ พในการ mm. การศึกษาในแนวกว้างจะตื้นแล้ก็จริงมันก็อยู่ในสภาพที่เราเรียกว่าความรู้ขั้วหัวตัวไม่รอบแต่แนวที่ภูมิประสงค์จึออยู่สองแนวแนวแคบแต่ลึกกับแนวกว้างด้วยแล้วก็ลึกเ้วยถึงก็แน่นอนต้อการความชานาญการในเรื่อ ง, องนี้ประเด็นของผู้สูตรเนี่ยที่จริงเป็นปัญญาระดับสองสองระดับนะระดับเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกับระดับคิด ที่สุตตามัปัญญากับพินตามยปัญญาแต่ ว, ว่าคำสุตตะหรือสุตตาเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้รธรรมศาสตสัมผัสทั้งห้าแล้วก็จิตก็เป็นตัวรับแล้วก็เป็นตัวจำเรื่องเหล่า น, นั้นเอาไว้แล้วในการต่อไปก็จิตก็จะคิดมันใ้จริงก็ทั้งทั้งหกนั่นแหละ เพราะว่าริงจริงๆตัวจำตัวคิดเนี่ยมันก็คือจิตสัญญาขันด้เวลานี้ที่เราพูดอะไรกันรู้ไม่รู้ไม่มีทิศทางอะไรอะ่ะพูดกับนักวิชาการของกระทรวงอุตสาธิกา ร, กาการนี่งงเลยนะมันปราดเปลืองจนเราเข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ให้จำคือแสดงว่าท่านไม่เข้าใจแม้แต่ขันห่ายไม่เข้าใจ ที่เราเย็นว่าความจำเนี่ยเป็นสัญญาขันนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกเป็นเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิตเขาเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรุงปรีจิตผลจิตของมนุษย์ถ้าไม่นิ่หน่วยความจําไม่มีประสบการณ์มนุษย์คิดไม่ได้แต่เราก็ไปเศษหน่วยความจําคือปรปเศษตัวประสบการณ์แต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เด็กไปคิด หรือวิธคิดยังไงเมื่อก่อนมีอะไระการสำรวดการสำรวดถามเรื่องสุภาษิตโบราณโบราณอะไรต่างๆแต่ถามไม่ใช่ได้หรือไม่ได้ก็เลยเห็นอย่างหนึ่งนะคนที่ถแถลงที่จริงก็เป็นระดับรองอธิการบดีเป็นด็อกเตอร์หรือรองอธิการบดีคือข้อที่ว่า ชาชาได้พระสองเล็บงามดวนได้สามสามมักพลิกแพลงเด่นรุ่นใหม่บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วปัจจุบันตัวเซนค่อนข้างสูงบอกว่าใช้ไม่ได้เตัวเซนค่อนข้างสูงก็ทําให้เราคิดว่าเธอเข้าใจหรือเปล่าเธอเข้าใจความหมายของคาว่าชาชาได้พระสองเล็บงามดวนได้สามรามมักพิกแพลงกับไปน้าขึ้นในริับ ภายเถือะพะพักตลาดถวายสายบัวเจ้านาวนี่ยเธอเข้าใจขนาดไหนอ่ะที่เธอบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ยังพันสมัยเพี้ยเลยนะฮะแต่เราเข้าใจในยพันสมัยทั้งสองอย่างนั่นแหละคือเรื่องมันเรื่องนี่ยต้องละเอียดยิ่งนต้องรอบครอบรอบด้านมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลงังไอ้นี้คือทําเร็วไม่ได้นะชา้าๆได้พระทรงเรียบงำดูได้สามถามมาพิแคลงถ้าไปเร่งทมจะเสีย ทีเรื่องหนึเรื่องนี้ต้องฉับไวกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจลงมือทันทีจบสวยโอกาสปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้เมื่อครละกรณีกันนะเขาเรียกว่าวัยในเรื่องที้ควรวัยช้าในเรื่องนี้ควช้ชามันไม่ล้าสมัยอะไรหรอกแม้อธิบายเด็กเข้าใจเฉยๆมันต้องเอามาทําความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ถามว่ายัางใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ หรือว่าแม้แต่ว่าประเด็นว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังเนี่ยจะต้องอธิบายต้องอธบองออิบายกันก่อนทำความเข้าใจกันก่อนอภิรายกันก่อนว่าเธอเข้าใจยังไงเจตนาลมของผู้พูดผู้แสดงเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องอะไรทีนี้ถ้าเราไม่เข้าถึงเนื้อหามันก็ไปเศษไปไปอย่างนั้นเองทีนี้แนวคุณสูตรเนี่ ย, เ, ยเราจะเห็นว่า มันเป็นกระบวนการทางจิตระดับของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าทั้งหแล้วก็นำข้อมูลล่านั้นเข้ามาคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจแล้วคือความรู้นะรู้ในลักษณะที่เข้าใจไม่จะรู้แบบจรรมหรือรู้แบบบ า, บางแง่บางมุมแต่ว่าไม่เข้าใจในสารัสำคในเนื้อหาตรงนี้น รั้นตูสูต ก, ก็จะทรงแสดงไปเหมือนกันทุกแผงคือเดิมมีประสบการณ์ทางภาษาสัมผัสมากสองจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากเออสามหลักสูตรกฎเกณฑ์สําคัญทุกขันเนี่ยต้องแม่นนะฮะย้อนกลับไปฟังพระท่านปาตกาาถึงพระระดับปัญญาเอกนะฮะแล้วท่นานอธิบายอะไรไปยังนึงกว่าท่านยกโครงขึ้นมาบดอยนะ่างนี้ ทิพตั้งสองวันทัดนะยังนึกเอตันยกขึ้นมาทําอะไรคือมีหลักอย่างนี่ยถ้าเราไม่รู้อย่าพูดพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้ทาโครงที่ว่าเสียสินสมุนสรศักไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิญรู้เสียรู้เร่งดํารงความสัตว์ไวนาเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพม้อยบรนนะ่บางแห่งว่าไปบางแห่งว่าอย่านะ ไอ้ต้นฉบับเดิมเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อะแต่ว่ า, วาได้ทั้งสองอย่างแต่ น, นี้ท่านผิดหมดเลยดนตรีทั้งสองบรรทัดคือคือหลักการสาคัญหลักการสาคัญคนนักพูดเนี่ยพูดเฉพาะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราไม่รู้จะพูดเดี๋ยวสวดเฉพาะสูตรที่เราจําได้นะสูตรที่เราจําไม่ได้จะสวดมันก็ร้องเพลงร้องเพลงอะไรเหมือนกันหมดนะฮะอย่าทําในเรื่องที่เราทําไม่ได้ หรือมีคนอื่นเขาทำดีกว่าแล้วก็ดีกว่าเนี่ยคนหนึ่งทำได้ดีที่สุดต้องปล่อยให้คนที่ทาได้ดีที่สุดเขาทำเราต้องการผลงานที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมไม่ใช่ว่าแขงดีริษยาอาฆาตกันกลัวคนอื่นจะดีจะเด่นจะดังแล้วก็นำเรื่องนั้นมาคิดคิดจะได้คิดจะดีคิดจะเด่นคิดจะชอบเขาเรียกว่า มานาสานุเปกิกตาตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะทรงทายกัมาโยนิโสปนาสิธาระคือการกระทําไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบคลายมีเหตุที่มีผลมีลักษณะสืบสาวถึงต้นข้าวถึงที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นมาจากหัวไปดูปลายมาจากโยงจากปลายมาดูหัวดูจากกลางโยงกลับไปกลับมาได้แต่นี้ทรงแทรกกับว่ามนาสานุปกิกตาคือเพ่งทิ่นิติการด้วยใจ ดูมันโดยเหตุโดยผลโดยเรื่องราวต่างๆคือมาเองยังยังยังไม่เข้าใจยังไงกันนี่ทักได้นะก่อนๆเขาฟังน้องอิสลามทางอานนยุธยานะเขาพูดเขาสัมภาษณ์เพวกเขาเข้าใจว่าอย่างไงคือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเวลาเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครทํานะฮะรัฐการเองก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทําหรือใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังใครเป็นเจ้าของทุน แต่มีความประสงค์อะไรคือคำตอบเตียงตอบไม่ได้ก็คือใครแล้วทำไปเพื่ออะไรเวลนี้มันก็เถียงกันอยู่เป็นไปเพื่อแยกดินแดนไหมเป็นไปเพื่อขับไล่ชาวพุทธไหมเป็นไปเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาไหมมันก็ท่านกำลงคำนั่งข้องใจสงสัยแต่นั้นไอ้ใช้วิธีรุนแรงอะไรอะเวลรุนแรงมันเป็นเรื่องกรณีนะกรณีที่เราจะเห็นว่า มันก็ต้องดูถึงคณะกรรมการที่เขาศึกษาเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้อะไรแรงไม่แรงอกแต่สถ า, านการณ์เมืันคลนละอย่างเราจะเห็นว่าเวลานี้แม้แต่เด็กขึ้นมาแข่งกีฬานักกีฬาที่มาแข่งกีฬาที่กรับุรียังวิตกตกังวลนะฮะต้องมีการราคาเป็นพิเศษขวัญไม่ดีเห็นสภาพขวัญไม่เต็มหรือแสดงว่าเธออยู่กับเหตุการณ์ที่รุนแรงแต่ว่าคนที่สร้างเหตุการณ์รุนแรงไม่ร่วใคร ที่จับได้มันต้องผ่านกระบวนการไยก่อนถ้าเราจะชี้เข้าไปเลยมันคงไม่ไดนะ้มันเป็นเพียงการกล่าวหาหรือพูดผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่งนี้เพียงนี้กว่าทําไมก็ชอบก็อชอบอชก็ใช้คำว่ารุนแรงทุนแรงมันมีคนในไล่ฆ่าคนโดยไม่รู้ว่เป็นใครเนะี่ยทุกวันถ้ารุนแรงก็คนนั้นแหละปัญหาว่าใครอ่ะและว้วเราต้องนํามันคิด ตมนุสานุกไปกิดคคือต้องคิดทีนิจพิจารณ์ได้ใจ ค, ดดคิดได้ดีคิดได้เป็นคิดได้ชอบแล้วจึงเกิดเป็นความเข้าใจที่ท่านเรียกว่าพิทยาสุพติพิาคือเนื้อหาสาระในพระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งไปให้พุทธบริษรัทเนี่ยมีความรอบรู้ในาศาสนาธรรมลึกลงไปขนาดนี้จะต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าถึง แล้วก็ต้องมือถึงแล้วต้องใจถึงด้วยนะในขณะเดียวกันก็พัฒนาเลยทีฉบับสมุดยอดวัวรับสั่งไว้เนี่ยที่จริงมันใช้ทุกกรณีนะอย่าลืมว่าเข้าใจเข้าถึงเนี่ยต้องใช้ทุกกรณีแล้วพาษณนามเนี่ยต้องใจถึงด้วยแล้วก็ต้องมือถึงด้วยไม่ใช่ว่าทํางานไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมา ย, ยิ่งกว่าเดิมแก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหา หรือแก้ปัญหาแล้วต้องยุติปัญหาหรือลดความรุแรงของปัญหาลงไปเพราะจริงๆผูดถึงถึงระดับ น, นิ่มต้องมีหลายถึงมันมีพักสนามอยู่พรกสนามถ้ามือไม่ถึงก็ทําไม่ได้มือถึงแต่ถ้าใจไม่ถึงก็ทําไม่ได้ทีนี้ถึงทั้งสองอย่างแต่ว่าไม่เข้าถึงก็ทําไม่ได้ไม่เข้าใจก็ทําไม่ได้หรือให้ลองสังเกตว่าพวกนี้เป็นเรื่องของอโมหะหรือปัญญาเนี่ย โมหะหรือปัญญาแล้วก็มันเกิดเป็นความเชื่อมัน่นหรือเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นสรุปว่ามีศรัท ธ, ธ, ธ, ธากับมีปัญญามีศรัทธากับมีปัญญานี่เป็อถึงก็เป็นธรรมะสำคัญดีและการต่อไปบอกว่าไม่สงธรรมคือต้องให้สงธรรม คำประสงธรรมนั้นก็คือมีธรรมะเป็นหลักทรงมาก็สองสา ม, สมะนะทรงนะฮะทรงครั้งแรกก็คือทรงในเชิงที่เรียนรู้ข้สอสก็คือทรงจํข้อาสามมีทรงไว้ในรูปของการปฏิบัติอยางเช่นว่ามีแม่ตายมีกรุณายมีฮิริมีอตุตตะปะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจก็เรีกว่าทรงธรรมก็สามารถสะท้อนออกมาจากการพูดจากการทา จาการคิดจากการดํ า, กการงชีวิตมันเป็นการสะท้อนถามว่าพวกนี้นท่านคือทรงธรรมมีธรร ม, มหรือทรงธรรมหรือก็ ก, ก, ก็ก็คือเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นเลยแล้วข้อต่อไปก็สรงชากออมาไม่ปฏิบัติชอบก็คือให้ปฏิบัติชอบมันก็มาจากการศึกษาเรียนรู้เนี่ยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็แยกแยะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างนึกว่าวันหลังคงจะเอา พระสุบินชาดกมาพูดสักวันเวการในบ้านในเมืองเวเนี่ยไปเข้ากับสุบินชาดกเยอะแล้วเดอนก็เป็นพุทธธรรมนายของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำนายพระสุบินของพระเจ้าพระเสียรมีพระสงมี16บสิบหข้อด้วยกันก็ได้มีการประรบถึงมีการพูดถึงกันอยู่อยู่แต่เนี้ย ค, คือชัดเจนนะพระพุทธเจ้ามันชัดเจนไม่ได้แบบหน้าตาดมุดอะไรไม่ต้องไปตีความอะไรนะพูดกันตรงๆนะแล้วก็เป็นความจริงที่ปรากฏค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะในขณะนี้จะพูดก็คงจะคงจะยาวเพราะเรื่องเรื่องบานข้อมัอนายาวต้องไปศึกษารายละเอียดของต่างๆี่ทรงพยากรณ์พิจิงไม่ส่งพยากรณ์นะฮะส่ ง, งชี้บอก หรือพยากรณ์มันแค่แค่ทํานายพระเจ้าไม่ต้องทํานายหรอกเป็นการพูดด้วยอนาคตังสยานเป็นการพูดโดยพยานหรือหมายว่าทรงรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากพยานเพราะงั้นไม่มีโอกาสที่จะผิดยิ่งแต่ว่าเหตุการณ์หมบพระเจ้าประเสริฐมีกสลท่านก็ไม่ได้เห็นนะเพราะเป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคตเแ็นเรานั้นไปอยู่ในอนาคตสมัตยุคนั้นเราก็พบเห็นเหตุการต่างๆแบบนี้ผิด ไม่ปฏิบัติชอบก็คือให้ปฏิบัติชอบทีนี้ปฏิบัติชอบนี่คืออะไรเราอย่าลืมว่าปฏิบัติชอบก็คือสัมมาปฏิปัฏฐาเรียกว่าปฏิบัติชอบเป็นการอธิบายขยายความคําว่าสุปฏิปันโนเนจากปฏิบัติดีเนี่ยท่านขยายเป็นปฏิบัติชอบก็หมายความว่าประศีลว่าอย่งไรกฎหมายว่าอย่างไง จะรีดประเพณีกำหนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆว่าอย่งไรธรรมะว่าอย่างไงก็ปฏิบัติชอบประกนัจำแล้วธรรมะกลุ่มใดควรจะมีภาชีอย่างไรนะกลุ่มทุกข์สัต์ปฏิบัติให้ชอบก็คือกำหนดรู้เท่านั้นเองไปคิดไปยุ่งกับถูกกัทุกขสัตว์ไม่ได้จะไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเมื <c oughs> ่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเลยก็รีบตายอย่าี้ไม่ได <c oughs> ้นะจะฆ่าไม่ได้ แต่อย่าตะค้าสรงข้าที่มทสมุทยัยสมุทัยท่านสอนให้ละให้ค่าก็ได้แล้วก็นิโรธเนี่ยมันเป็นเป้าเฉยๆคือตัเหตุไม่สมบูรณ์เนี่ยผลมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว ก, กับพืชที่ไม่ถึงคราวจะออกดอกออกผลนี่ยมันออกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชตรง น, นั้นจะออกดอกออกผลเร็วหรือช้านี่นขึ้นอยู่กับชนิดของ มนุษย์ก็มีหน้าที่ในการทําในการปลูกในการดูแลรดน้ําวนวนดินใส่ปุ๋ย ใ, ใสใสแล้วก็ต่อไปก็ไม่ประพฤติตามธรรมก็ให้ประพฤติตามธรรมยุติด้วยธรรมเป็นธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมอันนี้เรื่องใหญ่นะพอธรรมะแล้วก็จะเสียงกันเนแต่จริงจริงเนี่ยธรรมะถ้าเรายอมรับในแง่ของธรรมะแล้วไม่เสียง่ะธรรมะนี่ไม่เสียงกัใครมันมีแต่คนเสียงกับธรรมะ อยงที่พระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่โลกมันทะเลาะ ก, กับตถาคตเองเพราะเลยเพราะว่าในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนี่ยบางครั้งคนรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียถึง ก, กรหมายความว่าคนที่ไม่สำนึกถึงบาป บ, บุญขุนโทษเนี่ยเขารู้สึกเขาสูญเสียแต่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องธรรมะมีเหตุผล เชื่อมั่นในกฎของกรรมเชื่อมั่นในกฎของสังสารวัฏเนี่ยเราจะเห็นว่าผลจากการประพฤติตามธรรมหรือปฏิบัติชอบตอนเรื่อนการทรงธรรมเนี่ยมันที่จริงมันก็ต่อกันนะนะแต่ต่อกันหมายความว่าเมื่อเราประพฤติตามธรรมเมื่อเราปฏิบัติชอบก็ชื่อว่าได้ประพฤติตามธรรม ตามพระพุทตามธรรมเนี่ยพอทาให้เราเป็นอย่างนั้นนหะมีปกติเมตตามีปกติปรุณามีปกติขยันมีปกติเหตุผ ล, ละะอะไรแต่เนี่ยมันก็เป็นการทรงธรรมเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราตามปกติแล้วเราไม่ค่อยแยกไม่ค่อยแยกอย่างอย่างวันก่อนแม้แต่คําขวัญวันอะไรของของท่านนายกเป็นคนนั่งผ่านครพพูเสืป่าไปเขาขูวว่วันวะันครูนะ ครูจะต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีเมตตาธรรมเลยก็ถามเด็กต่างกยังไงแต่คุณธรรมกับเมตตาธรรมรือเห็นว่าที่จริงเรื่องเดียวกันการใช้คุณธรรมเนี่ยมันครอบคลุมความดีงามทั้งหลายไว้ทั้งหมดแล้วก็ดีใ น, นใช้แล้นะฮะแล้ใช้หรือและเสร็จเลยหรือข้อเดียวครูจะต้องมีคุณธรรม หรือเมตตาธรรมอย่างนี้เสร็จเลยเหลือข้อเดียวเพราะคำว่าคุณธรรมยั น, นจบแล้วความดีทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ได้ประพฤติกระทำลงไปเนี่ยเขาถือว่าคุณธรรมแม้แต่การละความชั่วทั้งหลายก็เป็นคุณธรรมเพียงแต่ว่าเวลาแยกเป็นสีนสมาธิปัญญาท่านแยกแระดับนั้นเป็นศีเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนสิงเรื่องละเมิดมันก็เป็นคุณธรรม โดการต่อไปไม่เรียนอาจเรยวาทของตนแล้วก็คือต้องการให้เรียนจากวาทะของอาจารย์ซึ่งแน่นอนในตอนแรกๆ ก, ก็ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าโดการต่อมาก็เรียนจากพระหรันธหายต่อมาก็เรียนกับอุปชาญาอาจารย์แต่หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะต้องถ่ายทอดไปตามหลัก ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเลยที่เขาสรงแสดงไว้อย่างไงก็ถ่ายทอดไปนั่นไม่ไปบิดเบือนไม่ไปพูดในนอกจากหลักที่พระพุทธเจ้าสรงแสดงอย่างวันก่อนที่เล่าใฟังหรือว่าคําถามที่สถานีนี้เมื่อวันอังคารที่ยี่สิบยี่สเอ็ดนะยี่เอ็ดธันวาคมก็มีอยู่สามสี่ประเด็นที่ สิรสมาคมจะต้องประกาศออกไปให้ชัดเจนนะประเด็นแรกก็คือบุรีเนี่ยพระสูบแล้วต้องอาบัดหรือไม่คือเราไปมินิแถวต้องอาบัดไม่ได้เพราะในเพศสัชจคันธกะเนี่ยในพระวินัยบิดกนบอกว่าทรงมีพุทธานุญาตให้พิสูสูขวันไอ้สูควันคืออะไรเราก็ไม่รู้อีกนะแล้วมันเหมือนกับบุรีเดนี้หรือเปล่ ล้บุรีแต่ก่อนมันก็เมือนเหมือนกับบุรีเดนียนะที่เป็นของรับแขกน้ําหมักผูบุรีเนี่ยเป็นของรับแขกในสังคมไทยตั้งแต่โบราณนะฮะแตนี้คนบางทีก็ยังติดติดตรบนี้เในเวเนียเขาเกิดรณรงณ์เรื่อง บ, บุรีขึ้นมาแล้วก็ไปวุ่นวายกับพระพวกหมอทั้งหลายเนี่ยไปวุ่นวายกับนะพระถ้าท่านติดบุรีเนี่ยติดมาจากนอกวัดนะฮะมันจะติดในวัดเลย เพราะฉะนั้นพระจำนวนคนไม่มากเราคิดอ้อคิดกลมกลมเลยสี่แสนเลยทําไมคุณไม่พูดถึงคนหกสิบสามล้านล่ะทําไมคุณมันวุ่นวายกับคนหกเพียงเพียงแค่สี่ 4, แสนล่ะแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบทบาทเคลื่อนไหวอะไรในสังคมอย่าสังเจะเอาอย่างพระคนบางคนเดือนไม่เคยพบพระล ะ, ละครั้งพระก็อยู่เป็นจุด้ ย, ย, ยเล็กๆในสังคมไทยนี่มีอะไรอ่ะ เพันก็ชี้มาทางโรงพยาบาลเน่ยวินิจฉัยมาไปเทียบดูที่กับเบียกับเบียรกับอะไรอะกับพวกสาโทอะไรพวกเขาเรียกพวกพว ก, กลุ่มเ ม, ร, นะมรัยนะเมรัยทุกวันเขาเรียกอะไรกันไม่ว่าอยู่ต้องเทียบไปได้กับกลุ่มของเมรถ้าว่าอยู่ระดับเดียวกับกลุ่มเมรัยก็ถือว่าต้องห้ามถือมหาประเทศในภาควิชานี้มีอยู่แล้ว เดี๋ยวพระเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเพิ่งพูดมากๆเรื่องบุรีนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปให้พรตอนตักบาทหรือว่าเวลาก็ตักบาทเป็นเงินแล้วก็ไปแย่งกันนั่นนีค่คือคือเป็นเรื่องที่มหาเทมาคมเนี่ยต้องประกาศคือยังยังนึกถึง อ, อ า, อง ม, า, ม, าม่าเข้ามาในวัดสม มหาเถรสมาคมในมาต ร, ราห้าสิบห้าตรีนะฮะบอมหาเถรสมาคมมีอ น, นหน้าที่ดังต่อไป น, นี้องเล็บหนึ่งเล็บสองอเล็บสามงเล็บสี่นะฮะเงเล็บสี่เนี่ยรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาตัวเนี้ยมีหน้าที่รักษาหลักหรือว่าการเทศการแสดงธรรมะในโครงการเนี่ยมีหน้าที่ประกาศตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการแล้วก็ ั่นก็ให้อำนาจไว้นะฮะอำนาจไว้ในมาต ร, ราบางมาต ร, รานี่มันโอหอำานาจเยอะเอเกินนะแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ทาจะบัญญัติฉบับนี้ออกมาสามสิบกปีแล้วนะสามสิบอะไรสามสิบสองอะสองพันห้าร้อยห้านะออกมาสองพันารอยห้าก็สี่สิบาทแล้ว เ, เนี่ยกขาบอกว่ามารตราสิบเก้าเนี่ยเขาบอกไว้ สมเด็จพระสันตะาชาทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆตามมาติมหาเทมาคมประกอบโด้พิพิธสุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่งมีหน้าที่พิจารณาการกรองเรื่องที่จะเสนอต่อมาเทมาคมแล้วปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเทมาคมมอบหมายโดยขึ้นตรงต่อมาเทมาคมการจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการหรืออนุ ก, กรรมการใน ร, ระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบของมาเเทมาคมตัวนี้ก็ทำอะไรได้เยอะมีหลายข้อนะทำอะไรได้นี่ก็เขาเรียกว่าบัญญัติครูจามุ่งหมายที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถที่จะบัญญัติด้วยเรียนเรียนจากอาจรารย์ว่าคือวาทะของอาจารย์ตัวเองแล้วก็ในขั้นต่อไปก็ส่งใช้กำว่า บอกแสดงบัญญัติบัญญัติอะไรที่สนับสนุนพระธรรมวินัยน่ะไม่ใช่นอกพระธรรมวินัยนะเราจะบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องสมทานศึกษาเสียงเกเฉพาะสิ่ข่าบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแต่ถ้าอนุโลมคือไม่สอนับกับพระวินัยสนใจกับพราชบัญญัติแต่นสสมันก็ทําได้อยู่แล้วเพราะว่า พรพุทธศาสนาเนี่ยบุคลากรในศาสนาเป็นบุคลากรเป็นประชาชนของประเทศนะเป็นศาธารณิกของศาสนาบพานก็ถูกบังคับด้วยการีดของสงฆ์โดยข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นพระราชบัญญัติแล้วก็ที่สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติต ล, ลอดถึงกฎหมายของบ้านเมืองที่เขาไม่ยกเว้นไว้แล้วก็กระทำได้ไ ปัญหาเรานี้ยเห็นมาถุงุงถุงแสดงวบัญญัติแต่งตัง้งเิดเผยจำแนกสามาทําได้กระทาให้ง่ายอันี้เรื่องใหญ่คือธรรมะเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องยากในการทําความเข้าใจะในการปฏิบัติแน่นอนยากแต่การทําความเข้าใจจะไม่ยากเลยเยียงแต่ว่าเราจะยึดติดอ่ะ ยึดติด้วยภาษาวันก่อนเนี่ยในจดรู๊กหนังสือของมมั่นคงของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับชาติเลยนะฮะบคือว่าท่านผู้เขียนน่ท่านโคตรธรรมะมาเยอะเลยเป็นชุดๆๆ็จากหนังสือธรรมนุญชีวิตนะฮะที่จริงธรรมนูณชีวิตลอกมาจากพระดิรปิฎกนะ ก็แปลอธิบายขยายความตามอัจถกิยะที่ทำไม้ไแ ต, แต่งเองออกแต่ว่าที่จริงยกมาแล้วก็มากไปเพราะธรรมะในภาคของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นกระบวนการทงางจิตอันนี้เกิดจากนี้เกิดจากนี้เกิดนะใล้ใกล้ปลูกพืชเนี่ยมันเกิดต่อไปนั่นเอจิชนะิดนั้นันเกิดต่อกันมีกันไปคนกุศลนะกุศลจึงส่งแสดงไว้เป็นหลักว่า อ ก, กุศลละมูลข้อใดข้หนึ่งนะฮะเรียกว่าโลกปวดหลงนี้ข้อใดข้อหนึ่งมันเกิดอ ก, กุศลละมูลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นจะเกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากขึ้นขึ้นเหตุนั้นก็ควรละตั้งแต่ตอนต้นจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่ามันเกิดลองสังเกตว่าคนไม่โรโกรธเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยนะฮะต่อมาจากความโกรธนะเนื่องมาจากความโกรธบางครั้งบางคราวก็รุมแรงจนถึงกับยิงกออะไรอะไรก็มีนะฮะตำรวจถก็ยิงเราก็มี นั่นเรแสดงว่ามันสื่อไม่ควรจะฟังโทษอาการกิเลสตัว น, นี้ยก็ดออูอย่างนี้คือเราเข้าใจเพราะหลักการในทางศาสนาเ น, นี่ยธรรมะเขาลึกเราต้องทําให้พื้นธรรมะยากเนี่ยเราทาให้ง่ายคือจะพูดง่ายแล้วก็โดยเนื้อหาสาระต้องลงคือหมายความว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสูตรที่คิดง่ายก็คือว่ากิเลสมันลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นในขณะที่คุณคิดว่าธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ย กิเลสคุณต้องลดลงด้วยเมื่อรับประทานยานี้ยานี้ได้ผลเนี่คืออาการของโรคมันลดลงสมมติฐานของโรคลดลงความสบายเพิ่มขึ้นแสดงว่ายานี้ใช้ได้ธรรมาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็บอกว่าแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ำยีด้วยดีซึ่งปรัปประวัติที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรม อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเราจะเห็นว่าปรับประวาดเรื่องนี้มันเกิดมากเริคือมาอย่างคิดฝันคนเอกเสรีท่านก็สนับสนุนเยอะนะในการสร้างสืี้ตอนนี้ก็ทำออกแบบให้ทำโมเดลให้นะแต่ว่าเรามองไปข้างหน้าก็ค่อนข้างยากคืออยากจะให้มีครังสมองของพระพุทธศาสนา คนักศึกษานักศึกษเองก็น่าคิดนะเดี๋ยวนี้จริ ง, รงควรจะมีว่าพวกอะไรล่ะพวกอนุสาสนาจารย์หรือพวกข้าราชการที่มันเก่งในด้านต่างๆแล้วก็เสียไปอยู่ที่บ้านเก็บไปทําอะไรที่บ้านเอามาช่วยงานพระศาสนาเนี่ยมอบ ง, งานนุชาการให้เขาช่วยการวราะห์วิจัยศึกษาติดตามมีหนังสืออะไรที่ แปลกแปล ก, กแนวออกมานะเช่นหนังสือของทิดวรรก่อนเจอคำภีนิพานเลยนะอ้ยตั้งหลายซีรีส์แล้วอาจะมาให้เด็กไปซื้อมามันซีรีส์ที่ห้านะเล่มบนเล่มเ่ยแล้วพระเจ้าของพระพุทธเจ้าก็มีแล้วก็หลายเล่ม น, นะฮะดิบปรากฏเดือนเนี้ยหนังสือที่ที่มันขัดแย้งกับพระธรรมวินัยเราก็เอาพระพุทธศาสนาไปดิกเดือน คือส่สงเส ร, ริมพระพุทธศาสนานี่ยอยากจเก้าไปตรงนั้นแหละแตวเราก็ไม่เจอเศรษฐีใจบุญเราก็ไม่คุ้นกับใครด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดด้วยว่าจริงจริงคือมันมันรู้สึกเขินๆยังไงเลยพูดจนเรืตองเสพตังค์เมืวันก่อนก็คนเอกเซรี่ท่านได้ยินเข้ามันบอกว่ามาบอกว่าที่จริงปัญญาพอมีแต่ว่ามีสพตงจะทํางาน ก็เลยนิมนต์มาให้ออกรายการเนี้ผมบอกว่าผมก็มีเงินก็มาสนับสนุนให้ท่านออกรายการก็ดีก็ช่วยกันในการเผยแพร่ศาสนธรรมก็อาศัยหลักจับหลักเกาะหลักพระใจบดกอยู่ตลอดลนะฮะการาแสดงธรรมมีปฏิหาริ์เนี่ยปาฏิหาริ์หมายความว่าสามารถแก้ประรับประวา ปฏิหารคือสิ่งที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์แล้วก็กำรับพระประวัติตอนนั้นลงไปได้ที่จริงปัญหาตัวนี้ท้าทายสนุกมากนะคือถ้าหากว่ามีคนอวดดีมาถามปัญหามาโตอตอบปัญหาแล้วก็นันก็ท้าทายสติปัญญาของเขาก็าดีอ่ะม่ตื่นเต้นดีเคคุยกับพวกนะัาะ หวยแผ่ศา ส, สนาต่างศาสนาเนี่ยถือว่ากันเป็นชั่วโมงก็สนุกนะคือเรื่องมนเรื่องเขาไม่เคยคิเรื่องเมืองเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอได้จังหวะเข้ามาเราก็รู้สึกเอออันนี้เป็นหลักการที่มีความสําคัญเมื่อก่อนไปบรรยายที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งเดียวกัหนึ่ง ทันผู้เป็นหัวหน้าในองค์กรนั้นท่านแล้วทจริงพูดสั้นๆนะเป็นท่านโบท่านวิทยาธมท่านโบจะอัดเทพแล้วจะขอลอกแล้วจะทิมเผยแพรท่านบไม่เคยคิ ด, ดคว่าเป็ญาติปากคอกเพราะใช่ไหมาปากคอกเนี่ยาามายุ่งอยู่เนี่ยยุ่งกับประหารญาตปากคอกเนี่ยที่ยุ่งเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรที่เรายุ่งเวลานี้มันไม่เกินสี่ห้าอย่างที่บอกเพราะงั้นถ้ามัน mm hmm. มีประลับประวาด อะไรเกิดขึ้นคือกล่าวบิดเบือนใส่ไขะศาสนาในด้านนันการคือถ้าพระไม่ไปชี้แจงแล้วใครจะชี้แจงและบางทีเนี่ยตั้งแต่โบราณมาท่านมีความพระธรรมวนนัยนี้ผิดรู้เจ้าทรงสแสดงหลักการเวลาคนอื่นเขาโจมตีเนี่ยหมายความถ้าเขายกย่องถ้าถูกก็ยอมรับเขาถ้าผิดก็บอกกล่าวเขาว่ามันมากไป แต่บางทีก็ยกย่องมากไปนะก็ชี้แจงขา่าวแต่ทีนี้ถ้าเขากล่าวหาบิดเบือนเนี่ยเราอยา่าโกรธมีประเด็นวันึงอยา่าโกรธสองต้องชี้แจงให้เขาเกิดความเข้าใจเพื่ออะไเพื่อรักษาเขาไม่ทําบาสด้วยเพื่อรักษาความถูกต้องแห่งประธานมินัยด้วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทด้วยมันเป็นภารกิจที่ติดตัวมาตั้งแต่เราปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะเห็นว่าต้อง ตรเนี้ยพระสมัยพุทธการให้เราสังเกตว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบวชนอยู่เนี่ยคือพระเจ้าไม่เสด็จเองครับให้พระนลบ้างพระโมคคัลลานะบ้างพระซาริบุตรบ้างพระมหาสาวกเนี่ยคือยังนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ทรงบวชนอยู่นี่มันก็ทํานองคล้ายๆกับพระรามอะคือมีทหารที่เรียกว่าเนปประสงค์เก่งเยอะมากมากหลาย ด, ายดาย้านใช้คนให้เป็นเลยน คนี้ใช้คนนี้เรื่องนี้ใช้คนนี้เรื่องนี้ใช้คนนี้นม้มานเก่งมากกว่าเพื่อนก็เลยหมดใช้มากกว่าเพื่อนวันในพุทธศาสนาเราเราเห็นว่าพระนรินทรเนี่ยกรโดดเยอะเป็นใช้เยอะพระนรินทร์ภาษารีบุตรในเรื่องหนั ก, นกๆรื่องต้องใช้อิทธิปริหาตรต้องขโมกขลานะยังต้องใช้สติปัญญาไปต่อสู้กับวาทะของนักปราดทั้งหลายต้องมือระดับภาษาลีบุตรจะท่าเกี่ยวกับกเจ้าขุนมุนนายต่างๆปวดเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆ มีเพื่อนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องไปพระนอนุนเป็นต้นหนึ่งคือวิธีใช้คนในเหมาะสมด้ว ง, งานเพียงนึกเสียดายนะว่าเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นนักศึกษา ม, มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ท่องเกี่ยวกับพระจอมอธิบายฟังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าพระจอมลูกจิตมือไม่ถึงมีสุเมราหน่าพระองค์เดี่ยรที่ได้ก็ ม, มือถึง นั้นมือไม่ถึงอนะ่ะยิ่งยิ่งเดือนนี้ยังไม่เคยได้เรื่องคือถ้าสืบต่อวิสัยทัฒน์ที่ทรงวางไว้เนี่ยเราเวลาเนี้ยจริงจริงนะฮะถ้าเอาเอกสารพระจอมมาวิเคราะห์แล้วกาหนดเป็นเป็นแผนเป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นแผนเป็นนโยบายแล้วนะขับเคลื่อนไปบรรจบกับพระไตรปิฎกทั้งนั้นองสเงาเดรามากก็เหมือนกันบรรจบกับพระไตรปิฎกท้า น, นแต่เราทําได้แค่สะดวดีด ยกยอกันทีหนึ่งทีหนึ่งก็ยกย่อกันทีหนึ่งแล้วก็ไม่นมาไปสู่ภาคการปฏิบจะเป็นเรื่องที่น่าสาียดายมันก็กลับมาสู่ปัญหาตัวเนี้ยปัญหาว่าเข้าเข้าใจไหมเข้าถึงไหมใจถึงไหมมือถึงไหมปัญหาเลยใจไม่ถึงมือไม่ถึงเดี๋ยวบางทีก็ข้าไม่ถึงด้เป็นการทําลายโอกาสโอกาสไปอย่างน่าเสียดายว่าการ ดูแลคณะสงเวรเนี่ยดูแลจนตา ย, ยาเพราะนั้นทำให้คนรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสาไม่มีโอกาสาก็ตายเฉาตายไปด้วยมีตายไปก่อนไม่ได้มีโอกาสารับใช้พระธาตุเพราะว่าเป็นครอบครองตำแหน่งจนตายเป็นกิเลสของชาวบ้านนะมันหยัดไว้ในพระธรรมญาติตอนนี้ก็มีเกษียงจะโน้นไปแปดสิบ เจ้าวาดไม่กระเสียนนะเจ้าวาดก็ไม่กระเสียนการกระเสียนตั้งแต่เจ้าคณะตรบลขึ้นไปเพราะในปัญหาเรื่องพระรัชวาาเนี่ปัญหาที่เราอย่าลืมว่าต้องเป็นผู้สูงนะเราต้องฉลาดส่งฉลาดแล้วก็ต้องทรงธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรร ม, รมแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะบอกจะแสดงจะบัญญัติจะแต่งตั้งจะเปิดเผยจะจำแนกจะกระทำเรื่องง่ายให้เป็น เรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะะแล้วก็เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายยิงแกแก้พวกก ร, ระร้ากว้าต่างๆนี่คือสิ่งที่สมทั้งพระไถ่ไว้พอพัฒนาลูกศิษย์ขึ้นไปอยู่ในจุดนี้แล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็จะไปนิพพานละว่ามานก็มาทวงประเด็นเนี่ยว่าเวรนี้สมบูรณ์แล้วทุกอย่างเนี่ยของพระ อ, อ ง, รรง 4, ค, สค์สมบูรณ์หมดแล้วลูกศิษย์พุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์บริบูรณ์หมด พระเจ้าจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคือธรรมะก็แสดงหมดแล้วนะธรรมะที่ที่ทรงศัลตรูมาก็แสดงหมดแล้วปัญหาว่าถึงวาระที่พระองค์จะต้องไปนิพพานนอนพระเจ้าเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากปฏิบัติภารกิจเหนื่อยมาห้าสิบเอ็ดปีนึกดูระราชักุมานสุภุมารชาติมาทุกข์ทรมานปรมาณโทระกาอยู่ห้าสิบเอ็ดปี แล้วก็โอกาสพักพ่อเนี่ยเพราะวรกายไม่ได้เป็นโล ก, กุตระนะวรากายเป็นโลกิยะธรรมดาในะดินน้ำลงไปอากาศธรรมดาเนะี่ยมันก็ต้องเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาแต่ว่าตรงนี้จุดเด่นที่นำมาเน้นย้ำเนี่ยมากนี่ก็คือตัวพระพุทธปฏิธานเพราะเวลาเนี้ยเราไม่ค่อยใส่ใจเนี่ยประเด็นตรงนี้ และที่พวกพระเราที่พูดกันพูดกันไม่กี่คนนะฮะแต่คุณคำวิโดก็คุณพรมคุณอภรร์ก็พูดดูอาจารย์เกษียนพงศ์พูดอยู่เวลานี้ก็พูดกันหลายคนขึ้นนะฮะคือถ้าเราหันมาดูตัวเนี้ยดูตัวเนี้ยศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาห้าข้อสิ่งที่เราต้องทันจริงๆแค่สีข้อสัมผัสผลนั้นไอ้มคล่องจองเฉยนะเราศึกษาปฏิบัติก็ต้องสัมผัสผลไม่เล่นธรรมดาต้องฝันละ เพียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาทีงนีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมที่มีแต่ท่านผู้ฝังทลาดีทุกท่านสวัสดี